ไม่มีนี่ตะคนทางอีสานเห่าแม่นบ่าเนี่ยเอาเอาม่แจกมาทางฝอกงแ่ชีมีไหมมั้งเอาไปแล้วะอ๋อใครบางคนภาคต่างยกมือขึ้นยกมือขึ้นคนภาคกลางฟองภา ษ, าษาภาคอีสานไม่ออก พระพุทธเจ้าของเราบรรญัติบาปบุญคุณโทษถูกม่นคือนักที่อื่นนักที่อืน่นบรรยัติบาปบุญคุณโทษบ่ถือเหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราบรญยัติอันใดถือ ม, นบบนอมนันไม่ผิดเลยศาสนาอืน่นบางศาสนาเนี่ยตัวนี่ตัวนี้กอฟังไม่ออกเหมือนกันเนี่ย ตัวชมพรฟังไม่ออกบัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกรัีิอื่นบาปบัญญัติไม่ถูกบัญญัติบุคคลก็ไม่ถูกด้วยเมื่อบัญญัตบาปบุญคุณโทษไม่ถูกแลก้วความบัญญัติบุคคลไม่ถูกอยงเหมือนกันพระบรมไม่ศาธนาบอกบัญญัติเป็นหกชะปัญญติโยชะก็แปลว่าหก ตาหูจมูกเล่นกายใจขันธทปัญญาติขันท่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเวทญญาณศีลขันท์หมวดศีล ส, สมาธิขันท์หมวดสมาธิปัญญาขันท์หมวดปัญญาไม่มุตติขันท์หมวดไม่มุตติมิมุตติญาณทัศนขันท์หมวดวิมุตมมติญาณทัศ น, นะสาระห้าก็เรียกแล้วก็บัญญัติ สัจจะปัญญาติทุกขสัจจะคือความเกิดแก่เก็บตายโลกโกรธหลงมรรคขสัจจะคือศีลสมาธิปัญญาสำหรับปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์มีธานวัตศีวัตภาวนาวัตก็จัดเข้าในที่นี้ สมุทัยสัจจะเหตุที่ให้เกิดกิเลสตัณหาความทะเยอทะยานอยากได้ชื่อว่าสมุทัยพราะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดหนึ่งมรรคสัจจะมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนิโรอดคือความทําให้แจ้งเโรอดสัจความทําให้แจ้งซึ่งบาปซึ่งบุญซึ่งคุณซึ่งโทษสมมุติว่านิโรอทําให้แจ้งปานาติบาต เธอทั้งหลายทำให้แจ้งซะทำให้เว้นซะมันเป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยส mm. มมติในข้อใดข้อหนึ่งศินากามีมุสาสุราความือนกันจงทำให้แจ้งในขั้นฆ่าสันดานเมื่อท่านทั้งหลายละได้แล้วก็ให้รู้จักกำลังปฏิบัติอยู่ก็ให้รู้จักและได้แล้วไม่ขบวคือก็ให้รู้จักเรียกว่า น, นี้โรดทะซะจงทาให้แจ้ง ทำให้แจ้งทั้งการเห็นด้วยทั้งการพิจารณาด้วยทั้งการลดพ้นไปด้วยเป็นสามการนีอินธริยะปัญญาติอินสีทั้งหกอินสียี่สิบสองจะขุนสีคือตาชิวหินสีคือลิ้นสีแปลว่าเป็นใหญ่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 ตายก็บัญญัติอีกใจก็บัญญัติอีกบัญญัติตามความเป็นจริงพุคธะลานังพุคธะปัญจติบัญญัติบุคคลที่เป็นโลกีบัญญัติบุคคลที่เป็นโลกุตระบัญญัติบุคคลที่เป็นพระโสดาบันบัญญัติบุคคลที่เป็นสกขาคามีบัญญัติบุคคลที่เป็นพระอนาคามีบัญญัติบุคคลที่เป็นพระอรหันต์บัญญัติบุคคลที่เป็นพระพุทเจ็บัญญัติบุคคลที่เป็นพระสมมาทัพอธิเก้า o มัยยัมุตสมวมุตก็ดีวิมุ ต, ต, มม ต, ต, มมตที่กำเริบหรือบอกไม่กำเริบท่านกั ญ, ญัติกุปะธรมอกุปรมโอทมโม ท, ที่กำเริบคือทำของผูทุชนคนหนาทำที่ไม่กำเริบก็นับแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปพระโสดาบัละอะไรได้ไม่ขบวคืนไม่เหมือนผทุชนคนหนา พุทนพุทุชนก็บัญญัติตำกว่าพระโสดาบันเรามาแล้วบัญญัติพะะุทุชนพุทธชนคนหนานักปราดบัญญัติแต่เฉพาะพระโสดาบันขึ้นไปซึ่งท่านมีสิ่งห้าบริบูรณ์ของท่านท่านมีธานวัตรศีรวัตรภาวนาวัตรปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารท่านไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออะไรเจตนาของพระโสดาบั เจตนาเขงพุทาคารมีก็เหมือนกันอ น, นาคารมีก็เหมือนกันพระทหารยิ่งไปใหญ่ละคำสอนระพุทธศาสนาสอนให้หลดพ้นจากปัญหาของตนเองปัญหาที่เป็นโทษสอนให้เว้นปัญหาที่เป็นประโยชน์ สอนให้เจริญคือศีลสมาธิปัญญาและการทรมาหากชีวิตปัญหาที่ทำให้แจ้งในคั้นทาสันดานคือในรทชาต์เพื่อบรนทุกนวัตชลสงสารทำทุกประเภทหน้ากายของเราแต่ละท่านแต่ละคนครบแปดมื่นสี่พระธรรมขันธ์เลยไม่เด่บอกคร่องไปไหนเราจะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้น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 หลวงว่าเราจะไม่เกะหลวงว่าเราจะไม่เก็บหลวงว่าเราจะไม่ตายง่ายหลวงในวัดถุนิยมสารพัดวัดเวียงหลวงนังห้องอยู่ในรอบก็หลวงนังอยู่ห้องหุ้มอยู่ด้รอบเป็นของมระชารมีประการต่างๆนีมัตสมิงกายมีอยู่ในกายนี้ เจสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายณักขาคือเล็บทั้งหลายดันตาคือฟันทั้งหลายตะโจคือหนังมังสังคือเนือ้อน่รูคือเอ็นทั้งหลายอัติคือกระดูกทั้งหลายอัติเมนชังเยอะในกระดูกวักกังม้า น้าทยังหัวใจยักกะนังตับเจโรมะกังพังผืดวิหักลังไตปั๊บพาสังปอดอันตังไสใหญ่ข้างหนึ่งอยู่คอหอยข้างหนึ่งอยู่ทวารหนักอันตะโคนางสายรักไสคือไส้น้อยวัตถุดิญอาหารใหม่ที่คืนลงไปอยู่ในกระเพาะกรีสังอาหารเก่าที่ข้างอยู่ในท่อที่ถ่ายยังไม่หมด นี่กำหนดว่าเป็นธาตุดินน้ำดีเป็นฝักอยู่ใต้ตับธาตุน้ำจนี่น้ำเสร็์ขังอยู่เป็นมกมวกที่คอหอยเวลากลืนอาหารลงไปก็ไปแวกน้ำเสร็์ลงไปแต่ละคำละคำก็ปิดปับป๊บปั๊บปับไปไน้ำหนองอยู่ตามเสียระบาดแผล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 เมโนมนอ น, น้ำมันล้นอัศสูน้าตาน้ามันล้นติดอยู่ที่จะงอยบ่าหรือหน้าผาหรือฝ่ามือหรือหลังเท้าเหมือนไขเหมือนไขของโคน้ำตาไหลออกมาหขมตาทั้งสองในเวลาร้องไห้หรือในเวลาสิ่งที่กระทบตาน้ามูก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 คือกะโหลกหัวหรือมันสมองนั้นท่านเพิ่มออกไปเป็นอาการสามสิบสองสมองสมองหัวนั่นไคร่ับนุ่นคุกกะทิกระโหลกหัวนั่นเหมือนกับกะลามาเผ้า มีเจ็ดเสียงเอามาจอดกันเหมือนบาทของพระบาทโบราณต้องทำเจ็ดเจ็ดเสียงเจ็ดซี่เจ็ดซี่นั่นก็ผมนั่นก็ขนนั่นก็เล็บนั่นก็ฟัน นั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็กะระดูกนั่นก็เยื่อในกะระดูกเหมือนยอดหวายที่เขาเอาใส่ไว้ในกระบอกนั่นก็มา้ามอยู่ข้างใา้หัวใจเหมือนมะม่วงสองผลมีขั้วอันเดียวนั่นก็หัวใจตั้งอยู่ท่ามกลางอกเหมือนดอกบัวตูม มีน้ำเลี้ยงหัวใจอยู่ประมาณสองมือเวลาโกรธน้ำเลี้ยงหัวใจก็ดำเวลาโรบน้ำหัวใจก็ดำในเวลาหลงจัดน้ำหัวใจก็ดำในเวลาที่มีทานมีศีลมีภาวนาคิตใจเบิกบานน้ำเลี้ยงหัวใจก็ใส่เข้าชวนท่านทุกคนไปแล้วพระหรนันน้ำหัวใจท่านไม่มีขุนไม่มีมัวเลย ใสแก้วอยู่เหตุฉะนั้นเมื่อผู้มรณภาพเขาจึงชอบเอาหน้มามะพร้าวไปล้างหน้าอสอดแสดงให้เทศให้ฟังเทศให้คนเป็นฟังถ้าพวกเราน้าไม่ใสเหมือนหน้นมามะพร้าวนี้พวกเราก็จะมาเกิดแก่เก็บตายเหมือนผู้ีตายอยู่เดี๋ยวนี้เลยเทศให้นะคนเป็นฟังไม่ใช่เทศให้คนตายฟัง พระมหาคตปะท่านพิจนานารณาล่างกายเป็นอารมณ์จะรวมหรือไม่รวมกว็าตามท่านพิจรณ า, าร่างกายเป็นอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ของภาวนามัคคารมนาธรรมามัคคารมมัคคาเหตุกาธรรมาเป็นเหตุแห่งปฏิบัติเพื่อมรคนมัคคาธิปติโนธรรมา ก็ปฏิบัติอุปัณาธรร ม, มาก็เกิดขึ้นในจิตจะีว่าสักเข้าใดก็าตามในรัพไตรลกษาะเนี่ยก็ย่นลงมาถ้าร่นย่นลงมาเป็นธาตุสีก็มีแต่ดินน้าไฟลมเท่านั้นถ้าจะขยายออกเป็นขั้นห้าก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เพิ่มเข้ากับธาตุสี่นะพระพุทธเจ้าสอนอยู่สี่สิบห้าพรรษาก็สอนในสกรลละกายเรานี่เองสกุลละใจเรานี่เองสกุลละวาจาเรานี่เองไม่ได้สอนไปทางอื่นสกรลละกายมีทุกท่านสกุลละวาจามีทุกท่านสกุลละใจก็มีทุกท่านก็ครบแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์ทุกๆกท่าน พราะขันเข้ามาหากายหาวากาหาใจถ้าจะขันลงมาเป็นหนึ่งก็ขันลงมาหาใจถ้าขันลงมาเป็นสองย่นลงมาก็เป็นกายครับใจพูดไปไหนมันก็ไม่ไปเพราะมันมีเท่านี้สัตว์โลกทั้งหลายท่องเที่ยวอยู่ในวัดจ้าท่องสารก็คือท่องเที่ยวอยู่จำพวกนี้ถ้าสัตว์โลกไม่หลงตาหลงหูหลงจมูกหลงลิ้นหลงกายหลงใจแล้ว ชั้นโลกทั้งหลายก็ข้ามทะเลหลงไปเข้าสู่คอนิพานซ์นะเพราะสั้นโลกทั้งหลายมาหลงสิ่งเหล่านี้แหละเหตุฉะนั้นพระบรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศาจึงสอนให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลุดพ้นจากความหลงของเจ้าตัวตามเป็นจริงไปซัก แมลงมุมมันขึงใหญ่ของมันแล้วมันก็ไปติดอยู่ในใ ย, ยของมันพวกมนุษย์ดาก็เหมือนกันติดอยู่ในกิเลสตัณหาของเจ้าตัวที่แต่งขึ้นที่ส่งเสริมขึ้นเพราะปัญญายังไม่กล้าเพราะทานศีลภาวนายัางไม่เต็มยังไม่มีกำลังกิเลสมีกำลังกว่าถ้ากิเลสมีกำลังกว่า กิเลสก็ขับพวกนี่หนีมันก็ยึดครองจิตครองกายของพวกเราเมื่อเรามีทานวัดศีวัดภาวนาวัตเคร่งเข้ากิเลสก็ยึดจิต ย, ย, ยึดใจของเราไม่ได้วนเวียนอยู่ข้างนอกเมื่อเวลาเราห่างเหินมันก็รุมมาอีกนั ทำไมพระบรมศาสดาจึงสอนให้เราพิจารณากายก็เพราะเราทั้งหลายมาหลงกายว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเราเขาว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของที่รังยั่งยืนว่าเป็นของสุขว่าเป็นของตัวเอาจริงจริงจังจังจนแกะไม่ได้คลายไม่ออก บอกไม่ถูกผูกไม่อยู่ผูกไวในสินธรรมก็ไม่อยู่สินตัดสินลงที่กายวาจายใจสมาธิตั้งมัน่นลงที่กายวาจายใจปัญญารอบรู้อยู่ที่กายวาจายใจพุทธธรรมสงก็ทรงอยู่ที่กายวาจายใจ พูดเป็นติ๊กการีบาตพูดเป็นสามพูดเป็นสองก็อยู่กายครับใจพูดเป็นหนึ่งก็อยู่ใจร้อนรุนพูดเป็นสี่ก็าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรืออริยสัจ ส, สี่หรือจตุกะคือหมวดสี่สิ่งไหนที่สงเคราะห์น้าเข้าในจ๊ะพวก สี่ท่านก็เอามารวมไว้เช่นคำสอนก็ดีจัตวุธิสี่ก็เหมือนกันมุธิคือทำเป็นเครื่องเกรเดินสี่อย่างสัพปุูริรสูภาังเสวะครบท่านผู้พุทธชอบโดยกายวาจาใจธรรมสชวณะฟังคำสอสอนของท่านโดยเคารพโยนิ ส, สูรมนัชการตีตองให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือช่วยโดยวาที่ชอบธรรมานุธรรมปฏิปฏิประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมที่ได้ตรองเห็นแล้ว นีจัดเข้ามาในหมวดสี่ธาตุสี่ก็จัดเหมือนปัทวีธาตุอาโปเทโชวาโยจะ บ, บัญญัติมากสักเพียงใดก็ตามก็บัญญัติออกไปจากกายวาจาใจของแต่ละท่านแต่ละบุคคลนี่เองถ้ารู้ก็รู้เท่าอันนี้ถ้าหลงก็หลงอันนี้ถ้าข้ามก็ข้ามอันนี้ถ้ารู้ตัวก็รู้ตัวอันนี้ อดีตคืออะไรคือดินน้ำไฟลมร่างกายที่ล่วงมาแลว้วอนาคตคือดินน้ำไฟลมที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็คือดินน้ำไฟลมที่กำลังเป็นอยู่พูดเป็นสี่พูดเป็นสามอดีตคืออะไรคือนิทานของกายวากาใจที่ล่วงไปแล้ว อนาคตคืออะไรคือนิทานของกายวาจาใจที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือนิทานของกายวาจาใจที่กำลังเป็นอยู่นี้เองนั่นรู้เท่ากายรู้เท่าวาจารู้เท่าใจแล้วข้ามทะเลกายข้ามทะเลวาจาข้าเทเลใจ กายก็เป็นแต่สักวากายวยจ า, วายจาใจก็เป็นแต่สักวายใจใจก็เป็นแต่สักวาใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วกว็แปพัวนั่นแตกสลายเหมือนกันใจเกิดดับเป็นไหมใจก็เกิดดับเป็นเร็วที่สุดได้ยาวกว่าพยับแดดอีกด้วยเกิดเร็วดับเร็วใจเหตุเท่นั้นพระนิพพานท่านจึงมาให้บัญญัติว่าใจจึงว่ารูปจิตเจตสิกนิพพาน สำหรับใจเป็นเครื่องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้รุดพ้นจากใจเพื่อให้รุดพ้นจากกายวาจาใ จ, ใจเพื่อมาให้ร้งกายวาจาใ จ, ใจโลกกายโลกวาจาโลกใจโลกตาโลกหูโลกจมูกโลกลิ้นโลกตัวกอสะกดตัวลอลียงไม่ใช่ จะว่าโรค ก, ก็ถูกเพราะโรคสามารถเกิดเกิดขึ้นที่กายได้อีกเหมือนกันสารพัดโรคมันจะเกิดขึ้นนั่นหลวงปู่มั่นยืนยันพวกเธอภาวนาถ้าพวกเธอจิตอยู่ในสกุลากายของพวกเธอแล้วถ้ามันผิดเราจะตามไปแก้หลวงปู่มัน่นถ้าพิจารณาออกนอกนั้นถ้าผิดเราไม่แก้เพราะไม่มีพนทางแก้ท่านพูดอย่างนั้นท่านพู ด, ง, พด ง, ง่าย พิจารณาลงพิจารณาลงพิจารณาลงก็คือพิจารณากายนี่เอง น, น่ที่มันมีอยู่ลมหายใจเข้าออกก็คือกายเพราะหลงอันนี้ไปพิจารณาอันอื่นมันก็แก้ไม่ได้เพราะหลงกายว่าเป็นของเที่ยงหลงกายว่าเป็นของถูกหลงกายว่าเป็นของตัวของตนหลงกายว่าเป็นของสวยงามอีกนั่นนั่น ้าแป้งแต่งตัวแล้วก็มองดูหน้าในกระจกเงาแล้วก็สำคัญว่ามันสวยมันก็ถูกทุกๆคนอันนี้เธอทั้งหลายจงพิจารณาสกลกายอันเต็มไปด้วยของบูดราเถิดเธออย่าสองสักยา มาหลงว่ามันเป็นของสวยของงามมันเป็นของบูต ร, ราอยู่ไม่มีกาวันกลางคืนเ้นอร่างกายเนี่ยพระบรมศาสดาสอนอย่างนั้นจะ บ, บ, บําบรรเทาราคะของเธอทั้งหลายให้เบาบางลงเธอทั้งหลายจงพิจารณาใจตนเองว่าถ้าใจของตนเองหนักไปในทางโทศัก เธอทั้งหลายจงแผ่เมตตาตนและแผ่เมตตาท่านผู้อื่นซักถ้าเธอทั้งหลายชอบหลงหลงลืมลืมแล้วเธอทั้งหลายจงหัดกำหนดลมหายใจเข้าออกให้ชัดแจ้งเธอทั้งหลายจะบรรเทาความหลงหลงลืมลืมของพวกเธอได้น่ะเธอทั้งหลายจงพิจารณาสกลกาย สกุลละวาจาสกุลละใจอันนี้ลงสู่อเนกจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลแต่เราหลงมายึดถือว่าเป็นตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลนี้เป็นความหลงของเราจงแก้ความหลงของเราซะถ้าหากว่ามันเป็นของพวกเราพวกเราก็ต้องบังคับมันได้สิไม่ให้เก่ไม่ให้เก็บ ไม่ให้ตายนี่ชั้นใดมันฝืนอไปเสียแล้วบังคับมาอยู่จะมีคุณหมอดีสักเพียงใดก็าตามเธอทั้งหลายและเราตะถาคตก็ไม่พ้นจากสิ้นลมปรานไปไดนะ้ของจริงมีอยู่แล้วเธอทั้งหลายจึงทำไมจึงไม่พิจารณา พวกเธอก็หลงอยู่ในที่นี้แล้วทำไมจึงไม่แก้ความหลงของตนซักตถาคตแก้แล้วแต่พวกเธอทั้งหลายยังไม่แก้ไม่แก้ความหลงของตนเมื่อเธอทั้งหลายไม่แก้ราคะโทสะของพวกเธอก็พอกพูนอยู่ในวัฏสงสารก็มีเวนสนองเวนภัยสนองภัยอยู่นี้เอง ของกูของมึงของสูก็เกิดขึ้นไปจากความหวงเห็นซากผีอันนี้ซากผีดิบอันนี้ถ้าไม่มีซากผีดิบแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาหวงพระบรมศาสดาพูดอย่างนั้นไม่ได้พูดด่าพระบรมศาสดาพูดไพเราะสนะโสด เธอจงพิจารณาตามเป็นจริงมันเป็นจริงอยู่อย่างไรก็จงพิจนารณาเถิดเล้วถอนความหลงออกด้วยการพิจนารณาเป็นจริงไม่ลำเอียงเพราะมันเหม็นบูด ร, ราจริงๆในสกลลกายพวกเธอไปให้คะแนนมันว่าสวยงามมันก็เป็นความผิดของพวกเธอสิเพรอเรามาศาดา พวกเธ อ, อยังเลี่ยงความหลงของพวกเธอว่าอยู่ตามได้พวกเธอก็จะได้มาท่องเที่ยวในวัตาสงสารอีกน้ำตาของพวกเธอจะมากกว่ามหาสมุทสี่มหาสมุด ม, ม, มาร้องให้คําควรวนในสิ่งที่ไม่เป็นเที่ยงให้อยู่ในอานาจวาสนาของตนร้องให้และเสียใจให้สิ่งที่ไม่เที่ยงไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของตน มาย์ถือเอาเป็นวาสนาของตนอำนาจวาสนาของตนมันก็ไม่เป็นไปได้เพราะปั้นน้าให้เป็นตัวพระบรมศาสน า, ศาเราสร้างบารี ม, มาสี่อสงไขยแสนมหากับก็ไม่เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อจะมาหรือเอาพวกเธอทั้งหลายนี่เองให้ขึ้นจากวัฏทุกให้ข้ามวัฏะถ้าข้ามไม่ได้ก็ ฝากไว้กับพระเจ้าองค์อื่นอย่าให้ท่านในเทศมากรักพระเจ้าองค์อื่นมาสองสามบาทคาเถาพวกเธอก็จะได้พ้นไปถ้าผู้มีปัญญาแก่กล้ามาแต่พว ก, ก่อนชาติก่อนเนี้ยเธอทั้งหลายก็จะข้ามทะเลหลงของพวกเธอไปในชาตินี้แหละพระบรมศาล า, ศาถึงข้ามไม่ได้พบพระพุทธเจ้าองค์หน้าพวกเธอทั้งหลายก็จะข้ามไปกับท่านอีก มีศาสนาเดียวเท่านั้นที่จะทําให้พวกเธอทั้งหลายข้าวอกสงสารไปได้ศาสนาอื่นพวกเธออย่าสงสัยเลยเราตถาคตไม่ได้พูดเข้าข้างตัวดอกพูดเข้าข้างทำตามเป็นจริงของธรรมตถาคตไม่มีลําเอียงลําเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกชันทาคติก็ไม่มีถ้าจะพูด ก็สงสารมันเพราะรักมันอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นลำเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสะกติเพราะไม่ชอบมันมันพูดเป็นธรรมก็ไม่ให้คะแนนมันหลวงหลวงพ่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อชิตถะสิ่งไหนที่เขาพูดเป็นธรรมก็ให้คะแนนเขาไม่ลำเอียงด้วยโทสะลำเอียง พเพราะเขาเรียกโมหะคติเพราะการพิจารณาคดีอันนั้นไม่แก้มแ้งเพราะด้วยความโง่ของตถาคตก็ไม่มีพระฉลาดเนื้อไปแล้วลำเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติมันจะทำผิดสักเพียงไหนก็าตามไม่กล้าทักท้วงมันก็เพราะกลัวอำนาจอิทธิพลมันตถาคตไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิ่งไหนผิดก็บอกว่าผิดต้อง เราสงสารพวกท่านทั้งหลายเราจึงได้สร้างบารมีมาถึงสี่สงไขมหาสี่สงไขกับแสนมหากรับมหาเมตตาการุณาวันหนึ่งคือหนึ่งเราไม่ได้ไปร่างกระโถนให้องค์ท่านเลยเป็นชาติกษัตริย์พระบรมศาตรายอมฉันเข้าในบาทเหมือนราดหมา ร่อยอมพายบาทไปเที่ยวบินทบาทยอมนอนดินกินญ้าเพราะวัดยังไม่มีในสมัยที่ออกต้นออกบวชข้างต้นในชาติสุดท้ายก็ยังลําบากอยู่ชาติที่เต็มตื่นมาเป็นพระสมมาพระพุทธเจ้าเนี้ยก็ยังลําบากอยู่ทําความเพียรอยู่ตั้งหกปีจึงสําเร็จพระหัน์จึงได้มาสั่งสอนพวกเรา แต่เยยกเลยยกเลยยกเลยยกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์งก็อันเดียวกันอย่าไปสงสัยเลยเป็นนกเป็นปลาก็เป็นนกเป็นปลาที่ฉลาดยาไปติดเบ็ดติดแล้วที่นายพรานโปยรยเราไว้นายพรานจะเอาไปต้มยำกินวันคืนของผู้มีสติ เป็นวันคืนที่มีค่าเพราะคนนั้นเขาสำเหนียกธรรมะเขาอยู่อารมณ์ของบุคคลผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นส่วนมากไม่นึกถึงทานก็ต้องนึกถึงศีลก็ต้องนึกถึงภาวนาก็นึกถึงพุทธโธธโมอทัคโอันใดอันหนึ่งอยู่ซึ่งน้อมเข้ามาหา ในพระพุทธศาสนาหมดเห็นใบไม้ร่วงก็น้อมเข้ามาว่าเราก็จะตายเหมือนใบไม้นี่ไม่ได้เห็นเฉยเฉยไม่ได้เห็นขาดทุนเห็นขี้ดินเออธาตุของเราในสกุลอากาศถ้สมมติว่าเราเนี่ก็เป็นธาตุดินนี่เองนั่นมันก็เป็นภาวนาไปในตัวเห็นน้ําก็น้อมเข้ามาหาน้ำใสใจดี เวลาน้ามใจของเราขุนเราก็มีโรคมีโกรธมีหลงถ้าน้าขุนก็มองไม่เห็นตัวสัตว์อันเดียวกั น, นเอ้าสมมติดูดูต่างคนก็ต่างอาเจียนออกนี่รอกหนังหมดนี่จะอยู่ได้ไหม สมมุติว่าต่างคนก็ตา่างถ่ายอุจระใส่เต็มบัตรสวัสดิพร้อมพวกเราจะอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้เพราะมันปฏิกูลถ้าสมมุติว่าพวกเราตายกันหมดนี่ พรอมกันตายเยวนี่ประมาณเจ็ดวันเราจะเข้ามามีผู้เข้ามาที่นี่เข้ามาได้ไหมเข้ามาไม่ได้เองน้ามเหลืองไหลออกเลยเจ็ดวันนอนมาแรงวันตอมหึงเลยแต้มวัดเนี่ยสมมติเป็นอสุพระอสาฟังวันหนึ่งวันหนึ่ง คนกินอาหารทายออกในประเทศไทยเราเนี่ยเอามากองไว้ี่จะขนาด ใ, ใหญ่ขนาดไหนนี่สำหรับบรรเทาราคะความรักสวยรักงามเอาพัชวะวันหนึ่งวันหนึ่งในประเทศไทยของเราก็ดีใครพัชวะออกก็เอามาไว้เอามาไว้ มันก็มากกว่าหอวห้วยข้อน้ำห้วยข้อเนี่ยมากกว่าน้ำลายก็เหมือนกันใครเว้นทิ้งที่ไหนก็เอามากองกันไว้ดูสิวัชระก็เหมือนกันปัสสาวะก็เหมือนกันกระดูกก็เหมือนกันนั่นกินและสีจะเป็นยังไงนั่นนี่สำหรับบรรเทาราคะความห่วงสวยห่ว ง, งามในสกนาร่างกาย อาระะักะกรมมฐานสี่ทุานุสติและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และสรงเกื้อกูลแก่แผู้อื่นสองเมตตาแผ่ไม่ตีกิจคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้าสามอสุภะพิจารณาร่างกายตนและผู้อื่นให้เห็นเป็นไม่งามสี่มรนนัตสติและลึกถึงความตายอันจะมาถึงตน กรรมฐานสี่อย่างนี้ควรเจริญเป็นนิสนั่นพระบรมศาลา น, นั่นเรียกว่าอาระักขะกรรมฐานสี่มุธิคือทำเป็นเครื่องเจริญสี่อย่างสับโปเิสูประสังเสวะครบท่านผู้ผู้พิจ ช, ชอบด้วยกายวายกายใจ ที่เรียกว่าสัตว์ตระรุษสัตวธรรมะจมณะฟังคำสั่งสอนของท่านโดยเคารพโยนิโสมนัสการตริตองสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอภายที่ชอบสีธรรมานุธรรมะปฏิปฏิประพฤตริรมให้สมควรแก่ธรรมที่ได้ตองเห็นแล้วทมที่อย่างนี่รุษจะร่อรดนำไปสู่ความเจริญ อเนสงของการฟังธรรมก็มีอยู่ห้าอย่างผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองสิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดสามบรรเทาความสงสัยเสียได้สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องห้าจิตผู้ฟังย่อมผ่องใส อบรมในกุศลผลบุญอยู่ทุกวันทุกวันบุญก็ไม่ได้อยู่ตามเดิมมันก็สูงบวกขึ้นที่ใจทุกวันทุกวันทำบาปอยู่ทุกวันมันก็บวกจะขึ้นที่ใจให้สูงไปในทางบาปผลของบาปและบุญต่างกันราฟ้าก็าแผ่นดินผลของบาปก็ททำให้เดือดร้อนผลของบุญก็ทำให้สว่างกระจ่างใจ บุญญานิปรโลกสมิงบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้าและอย่างยิ่งคือพระนิพพานด้วยทานะไม่บุญสําเร็จด้วยการบรูริจากทานศีละไม่บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีนภาวนาไม่บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาสีอภิจายะไม่บุญสาเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนแก่ผู้ใหญ่ ห้าวยาวัจจไม่บุญสำเร็จด้วยการช่วยคนขวายในจิตที่ชอบหกปฏิทานไม่บุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญเจดปัตตาโนโมธนาไม่บุญสาเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญแปดธรรมัดสวัสไมบุญสําเร็จด้วยการฟังธรรมเก้าธรร ม, มเทสนามายัยบุญสําเร็จด้วยการแสดงธรรมจิตสิบสิบทิฏฐุทุกกรรมการทําความเห็นในตรง ทำที่บรรพชิตควรพิกขนาเนืองสิบอย่างบรรพชิดถึงพิจารณานเนืองว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากครือขัดแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทําอาการกิริยานั้นๆข้อสองบรรพชิตพึงพิจารณานเนืองว่าความรเรียงชีวิตของเราเนื่องโดยผื่นเราควรทําตัวให้เขาเลียงง่าย สามบรระคิดพึงพิจารณา น, านาเนืองว่าอาการกายวาจายอย่างอื่นที่เราจะทําให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้สีบ่บรระคิดพึงพิจารณา น, านาเนืองว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยสินได้หรือไม่ห้าบรระคิดพึงพิจรารณ า, นานว่า ผู้รู้ใครควรแล้วติเตียนเราได้โ้อยสิบหรือไม่หกบรรพิตพึงพิจารณาหนึ่งเรียงว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของรักของคอบใจทั้งนั้นเจ็ดบรรพิตพึงพิจารณาหนึ่งเรีงว่าเรามีกรรมเป็นของของตัวเราทําดีจักได้ดีเราทําชั่วจักได้ชั่วแปดบรรพิตพึงพิจารณาหนึ่งเรียงว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอะไรอยู่เก้าบรรพิตพึงพิจารณาหนึ่งเรียงว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่ สิบบรรพิตพิจร า, ารณาเนืองว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่กเกอ้อเขืนในเวลาเพื่อนบนรรพิตถามในการภายหลังถ้าเรามีมบริบูลแต่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสมข้อ ส, อสี่ไปเป็นลดับจนทั้งคิวเพื่อนบรนพริตมาถามว่าสมาธิสมาบัติมีรถเป็นยังไงอย่างนี้เราก็จะไม่เกอ้อเขินเราก็จะตอบได้ เรียกว่า ท, ะะทักษธรรมสิบกรมาฐา น, นแจกละอย่างละอย่างส่งต่อพระทพานหมดถ้าทำถูกถ้าทำไม่ถูกมันก็ไม่ส่งต่อพระภพาน ทำเพื่อพระนิพพานมันก็ส่งต่อพระนิพพานทำเพื่อโลราบยศสรรเสริญมันก็ส่งต่อราบยศสรรเสริญจะได้หรือไม่ได้มันก็ชังักกันอยู่ที่นั้นประเบัติเพื่อพระนิพพานเนี่ยจะพิจารณาอันไหนมันก็เป็นเรื่องส่งต่อพระนิพพานทั้งนั้นพุทธโทคําเดียวก็ส่งต่อพระนิพพานได้ พุทโธไม่พามาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายธรรมโมไม่พามาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายสังโฆไม่พามาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายมีความหมายอันเดียวกันณโมอันเดียวกันเนี่ยความหมขอนอบน้อมไม่มาเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารนี้ไม่อยาก่าเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารนี่เรียกว่าณโมถึงพระนิพพาน พุทธัสสาหัสสมัมยทาสีว่าขอเป็นธาตุพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพื่อพระเนพานนัตนะนัตทีมีสานนัตงานยังถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพื่อพระเนพานนัตสนน ะ, ะนนอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสนนันอันประเสริฐของข้าพเจ้าเพื่อพระเพพนพานเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสาร โดยด่วนในปัจจุบันชาตินี้เถิดปัจจุบันนักกิจปัจจุบันนธรรมอันใดที่รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดพ้นตามเป็นจริงโดยไม่เหลือจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดท้นตามเป็นจริงอยู่ทุกว่าเทินสักลงที่นั้นเลยไม่ได้สักไกลเลยยินดีน้วพระเจ้าโคตมะ ก็เท่ากับว่ายินดีในพระพุทธเจ้าทั้งหลายยินดีในทำคําสอนของพระโคตมะก็เท่ากับว่ายินดีในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งปวงแล้วยินดีในพระนิยสง์ของพระโคตมะก็เท่ากับว่ายินดีในพระนิยสงของพระเจ้าทั้งปวงแล้วให้ทานรักษาศีลภาวนาในพระโคตมะก็เท่ากับว่าให้ทานรักษาศีลภาวนาในพระพุทธเจ้าทั้งปวงอีกเหมือนกัน นั่นก็เป็นอันเดียวกันให้ทานรักษาศีลภาวนาในพระโคตะมะก็สักับว่าให้ทานรักษาศีลภาวนาในพุทธเจ้าทั้งปว ง, งอีกเหมือนกันนั่นก็เป็นอันเดียวกันวันเวลาของผู้เลื่อมใสพระพุทธศ า, ษ า, ษาสานาเป็นวันเวลาที่มีค่า มีคุณเป็นชีวิตที่มีค่ามีคุณเพราะจิตใจและความประพฤติของเขาเป็นไปในทางพระพุทธศาสนาเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอยู่ในตัวจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติก็ไม่เป็นปัญหา ลงทำอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันอื่นก็เหมือนกันกับอารมณ์อันเดียวอารมณ์นี้ไม่ใช่จะเอาไปพระนิพพานด้วยจะทิ้งไว้ในวัฏฏะสงสารนี่เองบุญก็ดีบาปก็ดีจะเอาไว้ในวัฏฏะสงสารนี่เองไม่ได้เอาขู่สู่พระนิพพานด้วยแต่เป็นทะเบียงไปหาพระนิพพานพอถึงแ ล, ล้วก็ะโปรดอาวุธ ทิ้งไว้ในโลกเลยนั่นปดเครื่องประดับของโลกออกหมดแล้วทานวัตศีลวัตภาวนาวัดมันเป็นพระนพ涅槃ทำอันไม่ตาย้ส่วนทำอันเกิดดับก็ทิ้งไว้ในวัฏฏะสงสารนี่ก็ อ, อยู่กับทำอันไม่เกิดไม่ดับในพระนิพา涅槃สักถ้าต้องการพ้นทุกโดยด่วนจะทํายังไง ไม่อยากกระตีโหานแม่จะตับเอาแต่แก่จะทำยังไงเหมือนเขาถากไม้เขาถากวันยังค้ายังข้ามเขาก็ต้องการแกร่มันเราทานาเหมือนกันทำนาวันยังข้ายังขําก็ต้องการเอามาใส่ปากใส่ท้องถ้าขายเอาเงินก็มัน ก, ก็เพื่อท้องเอามาไว้ในยุ้งในสาในสาวก็เพื่อท่องถ้าไม่เข้าท่องเราไม่ได้แล้วล่ะ นะพุทธธรรมสงฆ์ทรงพูดก็มีทรงนิ่งก็ดีทรงวางเฉยก็มีพุทธธรรมสงฆ์ นิ่งก็มีพูดก็มีเดินก็มีนั่งก็มีนอนก็มีนอนหมาความไม่มไ ม, ไม่ไม่หลับเดินก็เดินภาวนานึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์จิดใจจะห้ามมันไม่ได้มันไม่นึกอันหนึ่งมันก็ต้องนึกอันหนึ่งถ้ามันชอบนึกครอบคิดก็ให้มันนึกคิดไปในทางพระพุทธธรรมประสงค์สินะจะให้มันอยู่เฉยเฉมันไม่อยู่จิตใจเนี่ย ถึงแม่สมาธิเรากาหนดลมหายใจเข้าออกเข้าไปละเอียดเข้าไปสักเพียงไหนก็ตามมันก็นึกคิดอยู่ในกรรมฐานของมันนั่นเองเมื่อมันเข้าไปวับลงไปเลยมันไม่รู้อะไรอย่างนี้มันก็นึกมันก็รู้จักอันเบาๆเหมือนกันใครเป็นผู้เทศใครเป็นผู้พูดใครเป็นผู้ฟังก็กายสังขารนจีสังขารจิตตะสังขารทั้งนั้นเป็นผู้ฟัง พระนิพพานมาได้มาแยั่งฟังด้วยเพราะท่านไมมาเข้าสังคมเสียแล้วใครเป็นผู้หายใจเข้าออกเดี๋ยวนี้ก็คือกายสังขารพระนิพพานมาได้มาหายใจด้วยใครเป็นผู้ฟังหงั่งนี่ก็คือยิฐตาสังขารดาวจีสังขารและกายสังขารโรคขันนามขัน รูปขันนาขันมันขันไปหาอะไรมันขันไปหาเกิดขึ้นได้แปลว่าน่าแตกสลายอดีตคืออะไรโลกที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรโลคที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรโลกที่กําลังเป็นอยู่อดีตคืออะไรทุกข์ที่ล่วงไปแล้วอนาคตทุกข์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือทุกข์ที่กําลังเป็นอยู่ พระนื้อผานอยู่ในอดีตอนาคตหรือไม่พระนิพอานไม่ได้อยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันอะไรที่ให้กําหนดปัจจุบันก็เพื่อจะให้เดินทางไม่สงสัยไปสู่พระนิพอานเท่านั้นส่วนพระนิพอานไม่ได้มาเป็นเปรตเฝ้าอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่พระอหันก็เหมือนกันอดีตอนาคตมีในพระอหันต์ไหมพระพระอรหันต์ไม่ได้มาเฝ้าอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่ถ้าหากว่าพระอรหันมาเฝ้าอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่พระอหันตก็ต้องเป็นทุกข์ ก็เป็นคนคุมนักโทษเพราะเกรงว่าอาดีตมันจะหายไปเพราะเกรงว่าอนาคตมันจะหายไปเพราะเกรงว่าปัจจุบันมันจะหายไปเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ได้อยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันอใดเลยนกบินในอากาศไม่มองเห็นชันใดคิดใจท่านผู้พ้นไปแล้วก็ฉะนนั้นพ้นจากความหลงของเจ้าตัวหรือพ้อนจากความหลงของท่านผู้อื่นอีกเหมือนกัน ทำแท้ไม่มยมากสังขารจะมีตั้งร้านก็ตามยน่นลงมาเอหาเอกสังขารเท่านั้นทุกจะมีเต็มแผ่นฝ้าแผ่นดินก็ตามก็ยน่นลงมาหาเอกทุกในปัจจุบันศีลจะมีสองยยสเกตก็ตามจะไม่เป็นศีลแปดก็ตามจะเป็นศีลห้าก็ตามยน่นลงมาในปัจจุบันนันศีลเลย สมาธิจะมีขีดล้านล้านก็ตามย่นลงมาหาเอกสมาธิในปัจจุบันเลยปัญญาจะมีล้านล้านกดโกธก็ตามย่นลงมาหาเอกปัญญาในปัจจุบันเองนั่นพระพุทธเจ้าจะมีขี่ล้านล้านก็ตามก็ย่นลงมาเป็นองค์เดียวกันเพราะเป็นธรรมอันเดียวกันนั่นนั่นนัน มาเรียนวิชาเช็ดลามในวัฏฏะสงสารนี่ถ้าจะพูดให้ละเอียดแล้ววัฏฏะสงสารอันนี่มันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นโรงพยาบาลสีรัญญาเพราะผู้เป็นบ้าต้องมาอยู่ในที่นี้พระนหันหายบ้าแล้วไม่ได้มานับแต่พ ม, มโลกลงมาจนถึงนาคุตสุบันเตมันก็เป็นโรงพยาบาลศีทัญญาเราดีๆนี่เองเพราะพวกนี้ยังไม่หายบ้า ยังมาสอบบ้ามาแข่งบ้ากันอยู่สอบไม่ตกเลยสอบบ้าเนี่ยสอบเวลาไหนเราก็ได้คะแนนเอก อ, อยู่เพราะบ้าโลค บ, บ้าโกรธบ้าหลงพวกที่รักษาบ้าโลคโกรธหลงข้ามไปหมดแล้วคือพระละหนันนะข้ามทะเลบ้าไปแล้วไม่ติดอยู่ในปัจจุบันด้วย ไม่ติดอยู่ในอดีตด้วยไม่ติดอยู่ในอนาคตด้วยไม่ติดอยู่ได้ด้วยไม่ติดอยู่เสียเพราะท่านไม่สําคัญว่าได้ว่าเสียอันใดท่านข้ามไปหมดแล้วข้ามได้ข้ามเสียข้ามสรเสริญนินทาสุขทุกไปลหมดแล้วมีลาบหนึ่งไม่มีลาบหนึ่งมียศหนึ่งไม่มียศหนึ่งนินทาหนึ่งสนเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกหนึ่งท่านข้ามไปแล้วข้ามด้วยพระปัญญายาณของท่านไม่ได้ข้ามด้วยขาข้ามโลก ข้ามด้วยขาขาก็ฉี่ตายข้ามด้วยเครื่องบินเครื่องบินก็หมดน้ํามันเราพาลงภูเขาหิมาลัยเองเหมือนกันนั่งข้ามด้วยปัญญาข้ามทะเลลวงด้วยพระปัญญาหลงไม่เท่าไใดข้ามหมดนิเลศมีเท่าไ ห, ามหมด ท, ไหที่ดองสันดานท่านอยู่ท่านก็เอากองทัพปัญญามาตีแตกกระเจิงไปเลย ข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงข้ามปัจจุบันด้วยความไม่สำคัญตนว่าอยู่ในปัจจุบันและไม่สำคัญปัจจุบันเป็นตนและไม่สำคัญผู้อื่นเป็นปัจจุบันและไม่สำคัญปัจจุบันเป็นผู้อื่นความสำคัญตัวมีอยู่ในที่ใดวิญญาณป exactly ฏินสนธิก็มีอยู่ในที่นั้น ถ้าไม่สำคัญตนว่าอยู่ในอิทยิบาตใดๆไม่สำคัญตนว่าอยู่ในอดีตไม่สำคัญตนว่าอยู่ในอนาคตไม่สำคัญตนว่าอยู่ในปัจจุบันท่านข้ามทะเลหลงไปแล้วไม่สำคัญว่าตากูหูกูจมูกกูลิ้กูกายกูใจกูไม่สำคัญในที่ใดทั้งปวงท่านก็ข้ามทะเลหลงไปแล้ว กายก็ดีเวทนาความเอาสวยอารมณ์ก็ดีสุขทุกขเวขาอก็ดีสัญญาความจําก็ดีสังขารความปรุงแต่งแหง่งจิตก็ดีวิญญาณความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางเล่นท า, าทางกายทั้งๆท่านไม่ยึดถือเสียแลว้วท่านเห็นว่าเป็นสังขารเป็นกายอย่สังขารเมื่อกี้สังขารผู้ใดเป็นอย่างนั้นผู้นั้นก็ข้ามทะเลหลงไปอีกนัก ปัจจุบันคืออะไรคือกองทุกในวัตสงสารอดีตก็คือกองทุกที่ล่วงมาอนาคตก็กองทุกที่ยังไม่มาถึงนั่นบท ด, ด, ดนในบทเรียนนี้เร่ อ, องดชั่วโมงหนึงนรนอือเ่าเออหนือแต่บบเบาวันเบาหนักคนละเดินวัตถุทาาสิถึกหลงเสียหาย พพื่อาไห้ัยใครเราเอวงไปวัดเหรอเดี๋ยวนี้รวงไปรวงไปรวงไปอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็รวงไปรวงไปเหมือนลมพัดเราภายนอกพัดแรงก็รวงไปแล้วพัดค่อยก็รวงไปแล้วกําลังพัดอยู่ก็กําลังรวงให้เห็นนักชีวิตก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ใกล้จะตายกว่าก่อนที่มานี่นอแล้วหนัก ความตายต้อนสัตว์ทั้งหลายเข้าคอกยิ่งกว่านายโคบานนายโคบานไรง่วงเข่าคอกมีแต่แตะเวนบายคำความตายต้อนมูเฮ้าเข่าคอกมามีกังเวนกังขืนสิ่งไหนมั่นจนหลอกไหลาคะเข้าจัดข้น สิ่งนั่นเท่าต้องพยายามอย่าส่งเสริมมันสิ่งไหนมันสิมาหลอกใครเข้าโกรธหลายเข้าเนี่ยเราเข้าเยอะนี่สิ่งนั้นเข้ากับบัณฑเท่าแล้สิ่งไหนจะมาหลอกใหรเข้าหลงในวัฏสงสาลว่าเป็นของกิรังยั่ง ย, งยืนว่าเป็นของควรนอนใจอันนั้นเข้ากับว่าส่งเสริมมัน ตาไม่ตกความตริในทางตาพยาบาทไม่ตกความตริในทางพยาบาทหิงไม่เหงสาวไม่ตกความตริในทางเวียนเวียนเธอทั้งหลายจงห้ามเบรกมันอย่าไปปล่อยมันอย่าไปส่งเสริมมันอย่าไปเป็นพักของมันเพราะมันหาเสียงฉันพูดอย่างนั้นถ้าเราไม่ส่งเสริมมันมันก็จะค่อยเบาไปเองถ้าเราส่งเสริมมันก็ค่าๆกับว่า เราไปหาฟืนมาใส่ไฟเอกความหลงของตนมีเท่าไหรราคะความกำหนัดของตนมีเท่าไหรโทรสะของตนมีเท่าไหรเบาลงแล้วหรือยังหรือหากว่ามีตามเดิมอยู่หรือหากว่าอยู่ไปเป็นวันวันอันนี้ก็ต้องรู้จัก ตนเองจึงเป็นสันทิษทิโกลวงโอเห็นเองถ้าสำคัญว่ามีเรามีของเราปัญหาก็มากถ้าไม่สำคัญว่ามีเรามีของเราปัญหาก็ไม่มากตาหูจมูกเล่นกายใจ มอบให้เป็นสังขารและกองทุกซักเราจะมอบได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับภาพภพของพวกเราเองสมมุติพระพุทธศาสน า, ายืมมาพูดวิมุตติพระพุทธศาสน า, าก็ยืมมาพูดแต่เมื่อท่านพ้นไปทั้งสมมุติและวิมุตติแล้ ว, ลวท่านก็ปล่อยสิ่งไว้ในโลก พวกไม่ไมรู้กพากันแย่งกันเอาเช่นปัจจัยสีทุกวันนี่แหละท้าทุกค้นไปแล้วท่านไม่มาแย่งก็มีแต่พวกเราท่นเองแย่งกันอยู่นอนกันจะนอนจะซื้อนอนลับกางผ้ า, าหาน่ า, าตัวิะงอตายยังกระดกงอ บัีนอนะบักนั่นขวายคุยังสั่นบักนี่ขวายคุังสั่นูปไพ่ก็เป็นผู้ังซีพระเอานี่เเป็นังสั่นพระเ อ, อนี่เขเป็นังสี่เคี้ยวเอี้ยงจะรับผมันเขา่ถือเลยับค่าทังสั่น้าตายข้าขอาหาไปมโนคน นักขาว่าที่ว่าโพลาปิโพเลติซาขังเอลเมวีโตทินังไปทางนังโมประคัติมิจิตังปติตังตุมางคิดภูมิวัดสมิชนุเทพิโพเรนตูสังขป่าจันโทณนัสโสยะธาเมธโธเทระโสยะาเทพิทโยเยวัจันโดสัพพะโทโยสัพพะโทพิณัตเจตวารเตปวัตตุนตรายโยสุขีตีฆายยโกตวะวิวาทะสีนิสันิจังมูตาปิชายโนจัตตาโลธรรมาวัจจันติอายวโนสุขังพระ ก็ที่อยักมาเกิดอีกเช่นอย่างโม่มันมาเกิดพ่อแห้งอะไ้โลกอันนี้มันมามันศาตเดียวเท่านี้แล้วมันตักรานตะโกตื้อติวเสลียวติวคนนี้โม่เฮ้ากมาเกิดขึ้นในวัร์ตาสงสารเนี่ยม่เฮ้าที่เขาใจว่าหัวก็มากันบ่มันพ่อแห้งอะไรนี่บ่แล้วหกโม่เฮาก็ไปพ่อแหงสวรรค์หม่เฮ้าก็ไปพ่อแห้งพระมรรคโม่เฮาก็ไปพ่อแห้ง เป็นเจ้าเป็นนายมูห้าวเคยจะเป็นว่าเป็นคนขอท่านมูห้า็เคยจะเป็นว่าเป็นคนหูหวกตาบอดกมือห้าวเคยเป็นวัดเน่มันเป็นของใหม่ของเก่าของมือห้านี่อันมาสเอรนี่ยเคยจะเป็นมัดอันเทอรแนลนะวันเออกินแสบด้อนรับมูห้า็เคยจะเป็ี่ยนเพราแห้งมันมาเปนของใหม่อะมันนของใหม่ของอะไรไม่แต่ของเก่าเอซัโมสันตโนพระธรรมเป็นของเก่าโรกเป็นของเก่าไม่ใช่โลกใหม่โรกใหม่เรากม่จะโรกเก่าไปดูโรกใหม่นะเขาว่าเออเจ้าจังหาป๋อาจัรย์ชาา ไปไปดูไซ้์คมิรโรกเก่าน ะ, ะ, ะว่าตะยูโรกไหมใช่ไหมฉันพาโรกไหมมันถิงมีไสตพลันพานพลันประด็จั ญ, ญาัลโลกเลยนั่นนั่นนั่นอะไรน้อมาเนี่ยน้เอเรียนว่านํนาลงคือเจ๊กตีตะปูเนี่ยน้อ ขึ้นเขาอิ่มลบบไปขี่สถ า, านตนาือนแต่ว่างี้มาแรกนนนก็นอนเสาของขี่ด้วยตัวนอนเาขาหางกระดูกโยนไปถัดไปก็คลอดไปยัง่ายังไงไปปีกนกระทู่ขึ้นเขาขับทางกระดูกไปขับทางกระดูกไ ป, ไปีนกรนทู่ขึ้เขาพญากิจตราชรถพญากิจตราชตัวเนี้ยพญากิจตราชคือหัวใจมันขับรถขับรถมาเกิดมาแก ม, มาเขียมาตาย ขับประหารลวพระโกธาลหลงเีกพจนาจิตตลาเร้าตัวตัวขับทางกระดูกปีนคู่นทนจากพ่อมลงจากของตัว จะพ่นจากโลกเคล็ดกีเลก็ได้คือคือหอกนัู่กแม่เนี่ยจะของมันหลงมี่เทไรกับคนจากพ้มหลงจากของสถานธรรมเดือดตัวหลงโลกอันนี้มันมัหลงหลงไรแน่เนี่ยมันก็หลงว่ามันเป็นของเทียงมันเป็นสุกมันเป็นตัวเป็นตนนะมันหลงมโนฮันว่าเป็นของสวยของงามสถานมีหลงมันหันมิหลงเท่ะขัดขามหลงอันใหญ่ก็บมีหยั่งละ เปได้ปะเ่ยเครื่องเปิดเอามามาล่ะเครืเปิดปน่ยเอามาใช่ไหมฮะเออเอามาถ่ายเอาหัวหัวขมาหัะมาจากใช่ไหมเออบู้ฝนหลากราไอ้เอ้าฝนหลากรอดเออขัาไปแล้ว่าเนี่ยเอ้าอืมไปน่าขัไปมากขึ้นปะไน่ะอ๋อคนแรง่ะ อ่แล้รายังหนอกได้บุญเจ้าโทษทั้งมมดทั้ง้ยางา่วนโทษทั้งมดทั้งผโททั้งมดทั้งได้วได้ับมันเหมอยู่นะน้าหน่มนมันอย่างข้า แก้วอะไรใช่ก็คือว่าน้ำกูดวะแค่นั้นก็น่ามันเ้เควเยอะหเยอะว่ะไม่ได้ก 那 啊, 嗯啊嗯？嗯，刚来送啥呢？送一块。这这块送什么？ ้าพระท่านจคนให้ระท่านคน้มีคนท่านเดดอกใช้เม่อกาท่านเดวนเทาเฮ็ดบุญมันก็ท่านบุญนเ้ยเหบใช้พระพุทธศาสนาหอใจว่เยบใช้พรพุทธศาสนาละกันนั่นตัวบาปอ่ะอาจจะเยียบใช้แต่กัแม่นัตัวบุญละหะพรพุทธศาสนาดยใจไ่ได้บ่นอื่นไ่ได้หน้าาเหลือง อันนี้เ็เครื่องเตือนี่ชื่อไดอกนนี้เป็นเพศที่รับไม้เพศทีชื่อได้กันหาเลืองเนี่ยมัวโร่นกับไม้เพศที่เชื่อไดต่อทําแท่ตัอพุตต่อถ้ำสมแท่ก็คือยู่ใจคนะอ่ะเพราะสอนใจได้พรุะมัทถ้ำผส์มสันดะสอนมันเอินคนตายจะสอนมาะไรมัมีวิญญาณนิหัน เขาดีมากครับเพื่อส้เป็นสุขก้าวนาความสงสารจะช่วยคนทุกมุชิตาความพอเยนินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีผู้เบีขาความวางเฉยมด่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความไม่บวัดถ้าไม่มีใคแก้ช่วยเ<ม>พอที่จะแก้ช่วยกขาต้องแก้สี่อย่างนี้เป็นเครื่องดูของท่านผู้ใหญ่พุทโธอยู่ที่ใจธรรมโมอยู่ที่ใจ สังโฆอยู่ที่ใจนิมนต์อยู่ที่ใจนิมนต์ไม่ที่ดวงใจเนื้อเลกได้ไม่เลืกได้กรีขอเอากายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจอยู่ทุกเมื่อขอถึงถึงพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเมื่อไม่ว่าแต่ทุติยติละถึงอยู่ทุกเมื่อเน้อเลกได้ไม่เลืกได้กรณีโอนให้แล้ววางสนลิมให้แล้วโอนให้แล้ววางสนลิทูลถวายพระพุทธธรรพระสงฆ์แล้วเน้อเลกได้ไม่เลกได้กรณี รับอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีและลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดีหมอกกายถวายชีวิตล่าพระ พ, พระธรรมสงฆ์อยู่ทุกงานเี้ทั้งยืนเดินนั่งนอนรับตื่นเพื่อคนทุกข์ในวัาสงสารโดยโดย่วนในปัจจุบันในชาตินี้เถิด่ะลงนั่นปัจจุบันใชาติก็คือปัจจุบันใกิจปัจจุบันนธรรมเราดีๆนี่เอง เรื่องขอปัจจุบั น, นช า, ต, จจนนาติปัจจุบันนักจิตปัจจุบันนธรรมก็คือโรคทั้งปวงในดีนี้เองเมื่อเป็นโรคทั้งปวงก็เป็นไตขี้ขาทั้งปวงคือสินสมาธิปัญญากรมกลืนกันอยู่ในขณะเดียวกันเมื่อสังขากรกลมกลืนกันอยู่ในปัจจุบันเมรรคผลผกิบาัก็กลมกลืนกันอยู่ในปัจจุบันเหมือนกันนะ พูดก็หมูก็เพื่อนพูดมา ก, กว่ากหลายถ้าอยู่แต่เราคนเดียวก็ น, นี้เดียวแ้นเราไปเลิกกันถอะใส่รงเอาขึ้นว่าได้ไม่นีเกื่อบใต้ไม่คือคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทมีพระภาคเจ้า 9. พระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบแล้วสอนผู้อื่นให้กระทำตามด้วยพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วพระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่นให้กระทาตามด้วยอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีอยู่สามอย่างทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งในธรรมเจ้วควรรู้ควรเห็น ทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจจะตรองตามให้เห็นจริงได้ทงสั่งสอนไปอัจฉริย์คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติโอวาทของพระพุทธเจ้าสามอย่างเล่นจากทุตจดิตคือบะพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจประกอบทุตจดิคือบุพฤติชอบด้วยกายวาจาใจกระทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโรคปวดลงเป็นต้น พุทโธเป็นผู้รู้ละบาปบำเพ็ญบุญเป็นผู้รู้ละความชั่วทำความดีก็ถูกเป็นผู้รู้ละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทำสิ่งที่ที่เป็นประโยชน์ก็ถูกทมโมทรงไววซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์สังโฆปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์รกลงพุทโธ ท, ทำโมสังโฆก็รวมกันอยู่ที่แห่งเดียวคือดวงใจ ใจมีคุณเป็นมหันมมีโทษเป็นอนันต์ถ้าทำดีบ่อยๆก็มีคุณแก่กายบ่อยๆถ้าทำชั่วบ่อยๆก็มีความร้อนใจบ่อยๆการงานอะไรที่ทำลงไปแล้วเลือดร้อนภายหลังการนั้นไม่ควรทำการงานอนไดที่ทำแล้ว ไม่เหลือดร้อนภายหลังการนาน น, ะนั้นจงทำเถิดนั่นคือตัวบุญนั่นคือตัวดีนั่นคือตัวที่มีประโยชน์คำสอนใดใในไตรโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคำสอนของพระพุทธศาสนาหมดโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ เข็มเทศจะมีกี่ด้านล่างก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็เป็นเวงขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกนะเทียบในทางลึกซึ่งเพื่อให้คํานึงได้หลายทางน้ําห้ียหนองครองบึงวางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทระเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไร่ลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกนะ ทำดีก็ทำให้เราทำชั่วก็ทำให้เราลิ้นฝ้าอากาศไม่ได้มาทาผลลัพธ์ก็คือเราเป็นผู้ได้รับจะพิเสษไปไหนก็ไม่ได้จะพิเสษให้เิีนฝ้าอากาศมันก็ไม่รับนัทีิโลเกละหูนามะความรับไม่มีในโลกเราทำอะไรเราก็รู้อยู่เรากโกหกเราก็รู้ว่าเราโกหกอยู่ เราไม่โกหกเราก็รู้ว่าเราไม่โกหกอยู่เหตุนั้นจึงว่าความรับไม่มีในโลกใครก hmm. ็ไม่รู้เท่าใจใจมันเป็นผู้รู้จะว่าเซีนหรือจะว่าอะไรก็แล้วแต่แต่พระพุทธศาสนาว่าใจใจแปลงเป็นคําไทยแล้วมโนแปลคําบาลีวิญญาณก็แปลคําบาลีมโนแปลว่าใจวิญญาณก็แปลว่าใจมนัสก็แปลว่าใจ ใจเป็นนายหน้าของกายและวาจาทำดีก็ใจเป็นผู้บงการเป็นนายกเป็นผู้ทําใช่กายใช่วาจาไปทําถ้ากายวายจาพอจะช่วยได้ถ้ากายวายจาช่วยไม่ได้ถึงจะใช้ให้มันไปมันก็ไม่ไปใช่มันป่วยมากเป็ตนต้นมึงลุกซะมันก็ลุกไม่ได้มึงวิ่งให้กูดูด้วยมันก็เวิงไม่ได้นะ ถ้ามันป่วยมากฉันในก็ดีร่างกายเปรียบเหมือนคนขับรถใหญ่เปรียบเหมือนกับรถบาปอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ไหนสิ่งไหนที่ทำชั่วสิ่งนั้นเป็นบาปสิ่งไหนที่ทำถูกสิ่งนั้นก็เป็นบุญก็เป็นประโยชน์ไม่เดือดร้อนทั้งตนและผู้ อ, อื่น สิ่งไหนที่เดือดร้อนตนเดือดร้อนผู้ อ, อื่นสิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนใ hey ห้เว้นถาว่าเรามศาสานาได้เคยเรียนหนังสือไหมมีอายุเจ็ดปีได้ไปเรียนกั บ, กบครูวิศวามิตระไม่มีพระราชกุมารอื่นจะเทียมถึงได้ชั้นที่หนึ่งข้าวมด การยกของหนักก็ได้ชั้นท so ี่หนึ่งเขาการยิงธนูก็ได้ชั้นที่หนึ่งเขาถูกศูนกลางเลยพระบรมศาสลาการยกของหนักก็ได้ที่หนึ่งเขาการวิ่งก็ได้ที่หนึ่งเขาการว่ายน้ำหรืออะไรอะไรได้ที่หนึ่งเขาทั้งนั้นในทาโลกไม่มีใครเทียมถึงดฉะนั้นเมื่อพระบรมศาสลาบวชมาในทางโพธศาสนะจึงไม่มีท่านผู้ใดเทียมถึงองค์ท่าน าศาสนาพุทธสอนอะไรบ้างอนให้ประพุทธดนะีพยายามระความชั่วคุณของพิดามันด า, าศาสนาพุทธก็สอนท่านในเรื่องมาแล้วเรื่องท่านตอบทาจิตทุระของท่านดำลงวงศกูลพระพุทธตนให้เป็นคนควรรับรั บ, รบมรดกเมื่อท่านรวงรับไปแล้วทาบุลอุทิศให้ท่านานัก น, น, นัะ ทส่วนท่านลงมือก่อนเราหนึ่งห้ามกระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปะวิทยาที่หาภรรยาและสามีที่สมควรให้ข้อห้ามอบทรัพย์ให้ในสมัยส่วนศิษย์กับอาจารย์ท่านก็สอนพระโรมศาราหนึ่งด้วยลุกขึ้นยืนรับส่วนศิษย์ สด้วยเข้าไปเยือนคอยรับใช้สามด้วยเชื่อฟังสี่ด้วอุปถาห้าด้วยเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพส่วนอาจารย์แนะนํานีสองให้เรียนดีสามบอกศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิงไม่ปิดบังอําพรางสี่ตอนไหนถูกก็ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงก็ห้าทำความป้องกันในทิศทั้งหลายคือจะไปในทิศไหนก็ไม่ให้โอดอยากไว้ความว่าเธอไปทางทิ้นนั้นเธออย่าไปทําอย่างนั้น เธออย่าไปทำอย่างนี้เรียกว่าไมา่อดอยากอบายมกทุกประเภทเป็นเหตุให้เสียหายเป็นมนุษยิบัตรถ้าใครร่วงก็เป็นมนุษยบัตรดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นไม่มีประโยชน์เล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตร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 ห้ามักถูกใส่ความหกไร้ความลำบากมากเที่ยด <gun> ูการเล่นมีโทษตามวัตถุที่ไปดูหกําที่ไหนก็ไปที่นั้นดีดสีตีเป่าที่ไหนก็ไปที่นั้นสะเพาที่ไหนก็ไปที่นั้นเพลงที่ไหนก็ไปที่นั้นเติดเทิงที่ไหนก็ไปที่นั้นคบคนชั่วเป็นวิย์เป็นมีโทษตามบุคคลที่ครบหกนาให้เป็นนักเลงหญิงนำให้เป็นนักเลงสุรานำให้เป็นนักเลงเล่นการพนัน นำให้เป็นคนรวงเขาด้วยของปลอมนำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหนานำให้เป็นถัวหัวไม้เกียดข้านทํำการงานนม่โทษถูกหนึ่งมักให้อ้างว่านานักแล้วมาทำงานสองมักให้อ้างว่าเรื่งยังเช่าอยู่แล้วมาทำางานสามมักให้อ้างว่าเวลาเย็นแล้วแล้วไม่ทำการงานสี่มักให้อ้างว่าหิวนักแล้วมาทางานมักให้อ้างว่า ถ้าหายนักแล้วมันทํากันงานมาักอ้างว่ายังเช่าอยู่แล้วม า, มาทํากันงานผู้หวังเจริญด้วยพ่อกระซับจงเว้นเหตุเครื่องฉิบหายหกเหล่านี้เสียประตูใดประตูหนึ่งถ้าไปร่วงละเมิดก็ฉิบหายเหมือนกันตระกูลอันว่างข้างจะตั้งรานานไม่ได้เพราะสถานสี่หนึ่งไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วสองไม่บุรณาคพัสดุที่ค่ําคล่า สามไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติสีตั้งสตรีหรือบุรุษทุศินแทนแม่เรือนพ่อเรือนผู้หวังจะดำรงตระกูลควรเว้นสถานสี่ประการนี้เสียคำสอนพระพุทธศาสนาสอนโลกเหอันที่คุณสมัยมันเข้ามาแล้วจึงทรงพระนามศรัทธาเทวมนุษย์าหนังเป็นผู้สอนของเทวะารมนุษย์ทั้งหลายนะ การปกครองโรค ก, ก็สอนความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะปกครองโรคได้นีนี้เป็นคำภาษามคตความละอายต่อบาปอดตับปัดสะดุ่งกลัวต่อบาปถ้าทำสองข้อนี้มีอยู่ในใจท่านผู้ใดท่านผู้นั้นก็ไม่ร่วงละเมิดความชั่วถ้าทำสองข้อนี้ไม่มีอยู่ในหัวใจผู้ใดทำความชั่วในทีแจ้งไม่ได้ก็ไปทาในที่รับ กดหมายกดพักคดพวกคดหมู่ก็อ้างก็ก็บอกไม่อยู่ก็ห้ามไม่อยู่อูของทำไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทางความช่วยในที่แจ้งมาได้ก็ไปทําในที่รับการครบเม็ดพระบรมศาสด า, าก็สอนเม็ดแท้สี่จำพวก มิตมีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่มิตรสี่จำพวกมีเป็นมิตรแท้ควรครบับมิตรมีอุปการะมีลักษณะสี่หนึ่งป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้วสองป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วสาเมื่อมีภัยเอาเป็นที่เพิ่มความรักได้สี่เมื่อมีธุระช่วยออกซับให้เกินกว่าที่ออกปากสองมิตร่วมสุขร่วมทุกมีลักษณะสี่หนึ่งขยายความรับของตนแก่เพื่อน สองปิดความรับของเพื่อนไว้ใแพล่งพายสามไม่ละทิ้งในยามวิบัติสี่แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้มิตรเนะประโยชน์มีลักษณะสี่ห้าไมกระทำความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามบอกทางสวรา์ให้มิตรเนะประโยชน์มีลักษณะสี่ห้าไม่ห้าไมกระทำความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดี อนุกราะด้วยนําใจอันงามสี่บอกทางสวรรด์ให้มิตรร่วมสุขร่วมทุกเมีลักษนั่งสี่หนึ่งเพื่อนทุกขก็ทุกด้วยเพื่อนสุขก็สุขด้วยโต้เถียงคนีพูดติเตือนเพื่อนรับรองคนพูดสนับสนุนเพื่อนมิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรครบมิตรปฏิรูปคือมิตรไม่ควรครบหนึ่งคนปลอกคล้อ สองคนดีแต่พูดดีตะปากสามคนหัวประจบสี่คนชักชวนในทางชิ่วหายคนสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรไม่ควรครบหนึ่งคนปอกลอกมีรักษนาสี่หนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากสามเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรับทำจิตธนระช่วยเพื่อนพออยากขอตัง สี่ครอบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวนี่ก็ไม่ควรครบสองคนดีแต่พูดมีลักษณะสี่หนึ่งเก็บเอาของล่วงแล้วมาปลาศสยสองอ้างเอาของที่ยังไม่มีปามาปลาใส่สามสองข้อด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้สี่ออกปกากพึ่งไม่ได้นี่ก็ไม่ควรครบสามคนหัวประจบมีลักษณะสี่ หนึ่งจะทำดีก็คล้อยตาม 2. องจะทำชั่วก็คล้อยตามสามต่อหน้ามันก็ว่าสรเสริญสี่รับหลังตั้งเนนทาอันนี้ก็ไม่ควรครบสี่คนชักชวนในทางชิบหายไม่รักษณสี่ก็ไม่ควรครบเพราะเป็นเทียมไม่ใช่มตแทะหนึ่งชักชวนดื่มน้ำเมาสองชักชวนเที่ยวกลางคืนไม่มีประโยชน์ สามชักส่วนให้มัวเมาในการเล่นชีซีชักส่วนเล่นการผนันนะการค้เมตพระบรมศาสนาเขาบอกหมดนะสอนโลกตรงต้งนั่นคําสอนของพุทธศาสนาเหนือคําสอน ใ, นใดๆทั้งพวงในโลกเป็นมนุษย์สมบัติถ้าปลริกออกอย่างนั้นก็เป็นมนุษย์ไมบัติถ้าเป็นมนุษย์ไม่บัติก็เป็นพรหมไมบัติก็เป็นสวรรค์ไมบัติก็เป็นนิพพานไมบัติเหมือนกันถ้าถูกมนุษย์ไมบัติก็ถูกสวรรค์ไมบัติก็ถูก คมวิบัติก็ถูกพระนิพานิบัติอัใบกระกทุกประเภทเป็นมนุษย์นิบัติทีนี้มีสิ่งที่น่าจะเล่าให้ ล, ล, ลูกๆแลหลานฟังเป็นเรื่องพิเศษเป็นความรู้ทางอ้อม ลูกๆ ล, ละหลานคงจะเข้าใจว่าลวงปู่นี่ตอบปัญหาไม่ได้เพราะเป็นพระป่าพระดอยทีนี้หลวงปู่ตอบได้ลูกๆกละหลานไม่ได้ฝันว่าลวงปู่จะตอบได้หรอกมีเรื่องจะให้คนครูอ่านให้ฟังอองนี่นี่นี่นี่วิธีตอบจดหมายมีอยู่ในตัวด้วย นี่นี่นี่ถึงลูกสามจะเรียนมาสักเพียงใดก็ตามผู้อยู่ในธรรมะตอบจดหมายมันยังเหนือกว่าพวกที่อยู่ทางโลกไปอีกด้วยเอาอ่านให้เขาฟังดูๆเนี่ยเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างใครๆจะมาอ่านคนุณครูคนไหนตานดีๆอ่านหรือพวกรัทยมเนี่ยถ้าอ่านมาถูกร้อสี่ร้อยแปดบาท จีนคนนั้นขายผ้าห้ากุรีจะให้เขาเงินเขาเท่าไหเรียกคณิตในใจนะเลยชั้าผสมหนึ่งเนาะเลสี่ร้อยแปดบาทห้ากุรีต่อสี่ร้อยแปดบาทกุรีหากุรีหนึ่งกุรีหนึ่งขาผ้าแปดกุลีแปดกุรีต่อสี่ร้อยแปดบาทห้ากุรีจะให้เงินเขาเท่าไหร่ก็ต้องหากุรีหนึ่งกุรีหนึ่งเสียก่อนแล้วก็แปดไปหาแปดไปหารได้กุรีหนึ่งกุีหนึ่งรีหนึ่งแล้วกะ เอาห้าไปคูณทีห้าไปคูณได้ทไา้ก่อนขายผ้าห้ากุลีต้องให้เงินเขาเท่า น, นั้ น, นก็ตอบได้พ ว, พ, ว พ, วพวกคู่พวกคู่เนี่ก็แม่นบ่เนี่แม่นบ่แม่นบ่แม่มาพิเศษบ่ามาพิเศษมาพิเศษมาตละเอ็ยดเทเน่เทเน่เรื่อง ต่อไปไมหน้าที่หนึ่งเราต้องนึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์แสดงตนเป็นถึงพระพุทธธรรมพระสงค์แล้วยกได้ไม่ยกได้ก็ดีขอถึงซึ่งคุณพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นเมืองขึ้นของพุทธธรรมสงฆ์พุทธธรรมสงฆ์เป็นเมืองขึ้นของพระิพผาน เมื่อนึกถึงคนพระพุทธธรรมผระสงค์เป็นอารมณ์ก็เท่ากับว่าและนึกถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณครูคุณครูวาอาจารย์อยู่ในตัวเพราะเป็นโทและเลขสายเดียวกันนั่นเราเรียนหนังสือต้องตั้งใจเรียนให้ดีความสำเร็จอยู่กับความพยายาม เขาพยายามทําชั่วเขาก็สําเร็จเหมือนกันแต่มันให้ผลต่างกันผู้ทําดีก็พยายามสําเร็จเหมือนกันแต่ให้ผลดีผู้พยายามทําชั่วก็สําเร็จเหมือนกันแต่ให้ผลต่างกันเขาพยายามเป็นคนโจรเป็นคนมาพยายามลักทพยกห่อเขาก็สําเร็จประโยชน์แต่ให้ผลต่างกันให้ผลในทางที่ชั่วบางทีก็ถูกตัดหัวไปก็มีนั่นเราทําดี ความดีก็ามาหาใจแล้วทำชัว่วความชัว่วก็มาหาใจ